มีแต่คิดไปทางอื่นปล่อยให้มันคิดไปเราตั้งสติกำหนดตามรู้ไปเลยมันจะคิดไปถึงไหนก็ตามรู้มันไปเลยถ้าตามรู้ไปมันทำท่าจะหยุดนิ่งตรงไหนก็ให้มันนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นเรากำหนดรู้ตามนิ่งมันอยู่อย่างนั้น อ้าหมจะขยับรอไปอีกก็นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธดูอ่ามันอยู่กับพุทโธก็ให้มันอยู่กับพุทโธอ้ามันไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันไปแล้วเรากําหนดตามรูปไปเรื่อยๆพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้า คำพูดศัพท์หนึ่งเป็นภาษาบาลีอยู่ในบทพุทธคุณตอนท้ายคือคำว่าพุทโธแล้วก็พัควาติหมายถึงพุทโธตัวนั้นคุณของพระพุทธเจ้า คืออิติปิแปลว่าเพราะเหตุนี้โสภะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นพระอระหันผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้สุัสรูเองชอบวิชาจารณะสัมปันโน ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาในเจรณะโสขโตผู้สเสด็จไปดีโลกวิภูผู้รู้แจ้งสึ่งลุกอัตตโรปุริสาธรรมสาลถิผู้เป็นครูฝึกอย่างยอดเยี่ยม ไม่มีปุลุษคื่นใจยิ่งไปกว่าสัถาเทวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาคือครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโผู้เบิกบานแล้วหรือผู้รู้แล้วผู้ตื่นแล้ว เือตื่นจากความหลับด้วยอำนาจแห่งกิเลสเป็นคนลักษณะส่สอแสดงว่าพระองค์หลังจากปรัสรู้แล้วมีความพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นบุรุษตัวอย่าง ดังนั้นพระองค์จึงสมควรเป็นผู้แจกจำแนกธรรมะคำสั่งสอนจึงมีคำว่าพัทธวาแปลว่าผู้แจกจำแนกธรรมะคำสอนหรือผู้มีโชคดีหรือผู้หักซึ่ ง, งกรมแห่งสังสารวักช์ได้โดยเด็ดขาดอันนี้เป็นบทพุทธคุณ คำว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษตัวอย่างพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละเริ่มตนแต่เสียสละราชบัลลังก์ความเป็นพระมหากษัตริย์เสด็จออกมาพระชาเพื่อสแสวงหาธรรมะเครื่องตรัสะะรู้เป็นพระพุทธเจ้า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 จาลิกไปแสดงพระธรรมโรดเวไนสัตว์เริ่มต้นตแต่เทศโรดพระที่สุเบจวักขีซึ่งเป็นนัก บ, บวดในสมัยนั้นด้วยธรรมจักกับประวัตนสุจนท่านอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม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 เมื่อมะเทศในคนอื่นฟังคนอื่นฟังแล้วก็เข้าใจรู้จริงเห็นจริงเหมือนกันจึงเป็นนั้นว่าธรรมะที่ตัทะรู้แล้วนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อกูณแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นบุรุษตัวอย่างในทางการเสียสละ บุรุษตัวอย่างในทางความเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะทรงรู้พระพุทธเจ้ารู้อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักซึ่งเป็นของจริง เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมานมนานซึ่งได้อับเฉาได้สาบสูญไปตามยุคตามสมัยซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดสาศาสนาของพระพุทธ เ, ทเจ้าแต่ละพระองค์ ธรรมะของจริงคืออริยสัตติก็ได้สาบสูญไปเพราะไม่มีใครสามารถค้นพบเลยรู้จริงเห็นจริงเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ค้นฟ้าจนกระทั่งเกิดความเป็นพุทธะขึ้นในพระทัยของพระองค์แล้วก็รู้อริยสัตติคือรู้ สภาวะที่ตนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลสมุทยัยคือกิเลสได้แก่ตัณหาทำให้จิตใจมนุษย์ต้องเสยทยานในสิ่งที่ตนปราถนาเมื่อไม่สมหวังก็เกิดทุกข์นิโรธะความดับตัณหาได้สนิจ มัคคะคือหนทางดำเนินไปสู่ความดับได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ว่าศีลที่อบรมดีแล้วทำให้เกิดสมาธิสมาธิที่มีพลังสามารถทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่มีพลังสามารถย้อนกลับมาอบรมจิตให้บริสุทธิ์สะอาดได้ธรรมะอันนี้เป็นภูมิความรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์สามัญ ธ, ธรรมดาตลอดเทวดาอินพรหมไม่สามารถที่จะรู้เองได้อย่างพระองค์ อันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้อัตลูหรือผู้รู้เมื่อท่นรูสิ่งดังกล่าวโดยความเป็นจริงแล้วจึงได้นามว่าพุทธคือผู้รู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเกิดขึ้นภายในจิตของพระองค์ท่านจึงได้เปลี่ยนขนามากศีรษะราชกุ ม, มารมาเป็นสัมมาสัมพุทธ หรือเป็นพระสยามภูเป็นพระตาถาคตซึ่งแปลว่าผู้ดำเนินไปดีหรือเป็นพระสุขคตผู้สเสด็จไปดีสเสด็จไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้แก่ที่นั่น เ, เวลาประทับอยู่ก็ทาให้ผู้ต้อนรับมีความยินดีเกเสด็จหนีไปก็ทาให้ผู้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 กิเลสอย่างกลางที่จะทำให้เกิดขึ้นมาลบกวนสมาธิหรือตัดรอนคุณความดีไม่ให้เกิดขึ้นคือ น, นิวรณ์พระองค์ปราบด้วยสมาธิกิเลสอย่างละเอียดคืออาสวะหรือนิพุหาหรืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตพระองค์ตัดด้วยปัญญาอันยาะเยียม <c oughs> จึงสามารถชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสกิเลสแม่น้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลืออยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์จึงไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงท่า น, นี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสะวะทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของบรรดาพุทธบริษัทตั้งหลายด้วยประการหักชนีดดังนั้นเพื่อเป็นอุบายแห่งการตล่อมจิตให้พลากจากสิ่งที่วุ่นวายอยู่โดยรอบจิตรอบดัานท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงสอนให้นึกถึงสิ่งสิ่งเดียว ซึ่งเป็นบทพุทธคุณบทใดบทหนึ่งซึ่งมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นต้นจนทำให้จิตของเราติดอยู่กับพุโทโธจิตกับพุโทโธอยู่ด้วยกันไม่พลากจากกันแนบสนิทกันอย่างเหนียวแน่น เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอุบายให้จิตมันพลากจากความวุ่นวายอื่นๆเข้ามาอยู่กับพุโทโธเพียงคำเดียวเมื่อจิตมาอยู่กับพุโทโธเพียงคำเดียวจิตก็จะเริ่มมีความสงบเมื่อจิตสิดอยู่กับพุโทโธเป็นความสงบจิตโดยความตั้งใจ เพราะเราสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาอย่างอ่อนๆซึ่งเรียกว่าอุปจาระสมาธิเธอมีความสงบนิ่งและสว่างคำว่าพุทโธหายไปยังเหลือแต่สภาวะจิตผู้รู้สว่างอยู่ตอนนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นสองอย่าง อย่างที่หนึ่งถ้าจิตสว่างแล้วส่งกระแสะออกไปข้างนอกจะทำให้เกิดนิมิตภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นต้นว่าภาพคนตว์เฮวดาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจิตมันจะปรุงปรุงขึ้นมาในขณะนั้นเมื่อเห็นภาพนิมิตต่างๆ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 ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของเราอย่างเดียวถ้าหากพอที่จะคิดได้ก็ให้คิดว่านิมิตรทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากจิตของเราที่กำลังสงบเมื่อสงบแล้วก็ย่อมเห็นภาพในมิตรต่างๆแต่ภาพในมิตนั้นไม่ใช่ของจริงแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตผู้รู้อย่างเดียว ถ้าหากว่าภาพนิมิตนั้นยังปลากรดอยู่ก็อย่าไปเย็ดและอย่าไปทำความลำคาญหรืออย่าไปทำความยินดียินร้ายกับนิมิตนั้นให้จ้องดูอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเห็นภาพนิมิตนั้นเพราะภาพนิมิตเกิดขึ้นจากสมาธิคือควารสงบจิต เมื่อเรารู้ที่เกิดเพรมันอย่างนี้เราจะไม่ตื่นและไม่เอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ตื่นเรามีสติสัมปชัญญะดีกำหนดรู้ลงที่จิตในนิมิตต่อปลากรดอยู่จิตจะเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติจะ ท, ทำให้ผู้มีปัญญาที่มีสติ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 สลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟลงไปก็ได้หรือนิมิตนั้นอาจจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปต่างๆถ้าจิตไม่หลงเย็ดไม่ตามรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวจิตก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นๆ น, น, นาเข้าจิตจะเกิดภูมิความรู้ในแง่วิปัสสนาขึ้นมา ว่านิมิตก็เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ย น, ปยนแปลงยับ ย, ยั้งอยู่เสมอนิมิตก็ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนจิตมันก็จะรู้ทุกข์ขึ้นมานิมิตไม่เป็นตัวของตัวคือไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลจิตมันก็จะรู้อนัตตาคือความไม่เจตัวไม่เจตุขึ้นมา ในสำหรับนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นขายนอกย่อมมีประโยชน์แก่นักปฏิบัติผู้มีสติปัญญาที่จะกำหนดเอามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้เกิดสมาธิมั่นคงและเกิดสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวัธรรมโดยอาศัยนิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ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 สมาธิพละกำลังคือสมาธิย่อมฝังตือขึ้นเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วมีความเพียรจดจ้องเรากอบด้วยความมีศรัทธาเชื่อมั่นลงไปโดยอัตโนมัติคือเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองจิตจดจ้องกับสิ่งรู้ไม่หวั่นไหวและรู้ ประคองตัวเองอยู่กับสิ่งรู้ประคองสติระลึกอยู่กับสิ่งระลึกปัญญาก็ย่อมเกิดมีพละคือมีกำลังดังนั้นในเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังพลังทั้งห้าประยุกเข้าเป็นอันเดียวกัน คือรวมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิย่อมสามารถทําจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้อยู่ภายในเมื่อจิตสามารถสงบนิ่งสว่างรู้อยู่ภายในตัวของตัวเองจิตก็ย่อมจัะค่อยรู้ความเป็นไปของกายหรือของอวัยวะภายในกายปรากฏขึ้น ในการต่อไปถ้าหากจิตไม่รู้อวัยวะหรืออาการของกายทั้งหมดนี้จิตก็เพียงแต่สงบนิ่งและมีความรู้สึกอยู่ภายในกายก็ได้ช่วาจิตรู้อยู่ภายในกายแต่ยังไม่ไกระจ่างเพราะกำลังแห่งพละ้าจังไม่มีปฏิจจทิพ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 อาศัยพาวิตาอบรมให้มากๆากพหุรีกรตากระทำให้มากๆแม้ว่าธทมทีหลังจิตอาจจะไม่สงบและไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นดังที่เคยก็ตามให้เราเอาสัญญาอาดีตที่เราจดจําได้ว่าจิตของเราเคยเป็นอย่างนี้แล้วก็ระลึกพิจารณาตามแนวทางที่เราเคยรู้เห็นเป็นมา บ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะเจอเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นลงไปเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะเมื่อมีวิริยะก็มีสติมีสติแล้วก็มีความมั่นคงคือสมาธิเมื่อมีสมาธิความมั่นคงปัญญาความรอบรู้สามารถละคองจิตไว้ในอารมณ์ที่เราพิจรารณามันก็ย่อมมีความมั่นคง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 จนกว่าจะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะปฏิวัติจิตไปสู่ปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติการปฏิบัติในครัน้นี้เราไม่จำเป็นจะต้องไป น, นึกถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาอาจจะอาศัยการบริกรรมภาวนา แล้วก็เกิดนิมิตภาพขึ้นมากำหนดพิจารณานิมิตภาพนั้นหรือไม่ก็ถ้ากำหนดรู้จิตน้อมจิตเข้ามาลู่ภายในเริ่มต้นแต่ลู่ลมหายใจกำหนดจดต้องอยู่อย่างนั้นเมื่อมีความสงบเป็นสมาธิแล้วความรอบรู้อันเรียกว่าวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นมาเองตามกำลังแห่งสมาธิที่เราอบรมแล้ว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 มริกรรมภาวนาพุทธโธเรียกพุทธานุสติคั้นกำหนดตามรู้ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อกายยังปลากฏดอยู่สัญญาเจตนายังมีอยู่จิตก็กำหนดตามรู้กายเพราะกายยังปลากฏ ถาหากว่าจิต ก, กำหนดตามรูลมหายใจจิต ก, ก็าตามกำหนดรูกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำความเข้าใจไว้สั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนเมื่อจิต ก, กำหนดรูกายสุขทุกย่อมเกิดขึ้นที่กายสุขทุกอนั้นเรียกว่าเวสนา ขณะที่เรามีความสุขในการนั่งสมาธิเรียกว่าสุขเวทนานันเวทนาเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติเกิด ข, ขึ้นแล้วเมื่อรู้สึกไม่สบายในการนั่งสมาธิมีความอึดขัดทำคานปวดแข้งปวดขาเหน็บปวดนี่ทุกขเวทนาเกิด ข, ขึ้นแล้วเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติ เรียกว่าทุกขเวทนาขณะใดที่จิตเป็นกลางๆไม่รู้สึกสุสึกทุกข์นั่นอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็กําหนดรู้เวทนาเรียกว่าเวทนาโลปะเสนาสติปัฏ ฐ, ฐานความรู้สึกนึกคิดเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้ในขั้นซึ่งเรียกว่าจิตจิตย่อมมีอาการนึกคิด และขอสั่งสมซึ่งอารมณ์ไว้เป็นอาหารสำหรับตัวเองจิตตัวผู้รู้จิตตัวผู้คิดเรียกว่าจิตตานุปัฏ ฐ, ฐานสิ่งซึ่งมาลบควน ค, ความสงบเช่นการมาฉันทะความใกล้ในความสบาย ถยาจะบาดความงุดหิดลำขาญในการที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาโอท่าจ่าโอจาาความฟุ้งซ่านหินมิถะความง่วงเหงาหาวนอนเกิดเหนื่อยหน่ายท่อแท้วิกิจฉาลังเลไม่ตกลงใจจะเอาจริงหรือไม่เอาจริง นี่เป็นลักษณะของธรรมซึ่งเกิดขึ้นในหลักมหาสติปัฐานสึ่งเด็กว่านิวรธรรมห้าประกาศเป็นสิ่งที่กางกัน้นความดีความเจริญไม่ให้เกิดขึ้นจิตของผู้ภาวนาก็รู้ธรม ร, ธ ร, รมเกี่ยวกับธัรมานุปัตฏฐานขอได้โปรดกำหนดตามหนละักแห่งมหาสติปัฐานโดย ย, ยอด่อๆดังที่กล่าวมา เมื่อท่านกำหนดรู้ว่าท่านมีกายเมื่อมีกายก็รู้ว่ามีเวทนาเมื่อรู้ว่ามีกายมีเวทนาก็ารู้ว่ามีจิตผู้รู้เพราะจิตเป็นผู้รู้กายเวทนาเมื่อจิตรู้กายเวทนาสิ่งบรบกวนมันจะผ่านเข้ามาจิตก็ยํารู้คือนิวรหะในี่ข้อหลักการกำหนดรู้ตัดิปัฏฐานสี่ เจเนสติประธานสี่นี่ยเป็นฐานที่ตั้งเป็นเครื่องรู้ของขิตเป็นเครื่องระลึกของสติถุกทุกเรื่งเรียกว่าเวทนาอาศัยกายเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อาศัยกายเกิดจะยังเหลือแต่สุขละเอียดสุขละเอียดนั่นทีนเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเพราะ มีความรู้สึกจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่เมตตาความเป็นกลางกลางีกตอนนี้มันจิตมันต้นรู้อุเบกขาเวทนาแล้วก็จิตรู้จิตจิตก็รู้ทำแล้วว่าจิตค่อยละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยเมื่อทันทั้งหลายตัง้งจิตตั้งใจปฏิบัติดาเนินตามแนวทางดังที่กล่าว ความสงบหรือความรู้แจ้งเห็นจริงจะค่อยปลาขุดขึ้นทีละน้อยละน้อยซึ่งท่านเองอาจจะไม่กําหนดรู้ได้ว่าความรู้จริงหรือความดีของท่านมันเกิดขึ้นได้วันละขีปักน้อยแต่ขอรับรองว่าการปฏิบัติทุกครั้งคุณนด้ทำย่อมเกิดขึ้นในจิตของท่านทุกครั้งไป แต่คุณธรรมนั้นเป็นของละอียดเราไม่สามารถที่จะประมวลมานับเพิ่มจำนวนได้เหมือนอย่างวัตถุแต่ก็จิตเก็บเอาคุณธรรมไว้สิละน้อยละน้อยจนกว่าจะรวมพลังกันใหญ่โตขึ้นมาแล้วจะสามารถที่จะลาบุญผลขึ้นมาอย่างยุงแ่แย่หรืออย่างมหัดประจั์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 เพียงแต่ลดน้ำพวนดินใส่ปุย๋ยแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็เจริญงอกงามเองเพราะเผอสองสามวันไปดูมันจะผิดหูผิดตาขึ้นอันนี้คือข้อเปรียบเทียบเมื่อท่านปฏิบัติสมาธินี่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ทุกวันทุกวันความเจริญงอกงามของจิตของคุ ณ, ณธรรมย่อมจะปรากฏขึ้นเรื่อย เอาละสำหรับการแนะนำข้อปฏิบัติซึ่งวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ข อ, ข อ, อยุติลงไว้เพียงเท่านี้